เอฟเอ็มแปสร้างสรรค์และผลิตรายการโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธั ญ, ญบุรีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั ญ, ญบรุรีขอเชิญเฝ้าทูลละอองพระบาทรับสเสด็จสมเด็จพระนิธฐถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ ร, รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุ ม, มารีในพิธีพระราชทานปริญาบัตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลครั้งที่33ประจำปีการศึกษาสองพันระหว่างวันที่1 9บเถึงยีสิบสิงหาคมสองพนหาณหอประชุมราชมงคลทั ญ, ญบรุรีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั ญ, ญบรุรีอำเภอธั ญ, ญบุรีจังหวัดปทุมธานี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 สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังนะคะเข้าสู่รายการเพื่อนเตือนภัยค่ะรายการที่รวบรวมเรื่องราวการเตือนภัยการใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทนะคะนํามาบอกเล่าสู่กันฟังเราพบกันในช่วงเวลาเช้าเชของวันพระราชสปดีดทางเอฟเอดิบเก้าจุดห้าวิทยุราชมงคลทั ญ, ญบรุรีแล้วก็ที่ทางแฟนเพจ a c e b o o k นะคะวิทยุราชมงคลธั ญ, ญบุรีเช่นเดียวกันค่ะดิฉันอาทิตยาปกทานังรับหน้าที่ในการดําเนินรายการและนําเสนอเรื่องราวข่าวสารข้อมูลที่ น่าสนใจเคสตัวอย่างกรณีต่างๆเพื่อที่ว่าเราจะได้มีข้อมูลนะะในการที่จะเตือนใจตัวเองด้วยแล้วก็เวลาที่ถ้าเกิดเราประสบเหตุการณ์นั้นๆนะคะก็จะได้ทราบว่าสิ่งที่เราได้เผชิญอยู่นั้นเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องหลอกลวงกันแน่หรือว่าถ้าเกิดกรณีอะไรขึ้นจะต้องทําตัวอย่างไรปฏิบัติตัวอย่างไรนะคะติดตามรับฟังกันได้ในวันนี้กับเพื่อนตันภัยค่ะ เริ่มต้นกันในวันนี้นะคะกัวฟังคาน่าจะเป็นการเตือนสําหรับใครที่เดินทางในช่วงค่ำค่มืมมดมืดนะคะโดยเฉพาะในแถวช่วงนี้ที่มีการออกมาเตือนก็คือเป็นย่านทองหล่อแล้วก็เอกมัยค่ะหลังจากที่หญิงสาวท่านหนึ่งนะคะโพส์เตือนภัยย่านทองหล่อเอกมัยพบชายคล้ายอาการเมากล้าเดินตามประชิดตัวนะคะจนล้มลงมีแผลถลอกลึกต้องร้องให้คนช่วยสุดท้ายไปแจ้งความดาเนินคดีค่ะแต่เจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถจับตัวคนไร้าย เรื่องเหล่านี้นะคะเกิดขึ้นเมื่อวันที่4สิงหาคมที่ผ่านมานะคะเฟ e บุ๊กเจเล่ปิยะธิดาเตือนภัยหญิงสาวที่ต้องเดินทางผ่านเส้นทางยาดเอกมัย21ทองหลอ20หรือซอยจำจันโดยเธอระบุว่าอย่าให้เพิ่มความระมัดระวังอย่าเดินทางคนเดียวเนื่องมาจากว่าตัวเธอเองนั้นได้พบเห็นผู้ชายขี้เมาขี้ย่านะคะดมกาวลักษณะ ส, สูงผอมใส่เสื้อแขนยาวคลุมกางเกงขายาวผิวคล้า น่าจะเป็นคนในพื้นที่นะคะซึ่งคนเแถวนั้นก็ให้ข้อมูลมาว่าคนร้ายเนี่ยมีอายุมากแล้วค่ะแล้วก็ชอบเดินไปมาตามตึกหอพักหน้าร้านอาหารทั้งกลางวันแล้วก็กลางคืนเคยเป็นวินมอเตอร์ไซค์เถื่อนในซอยข้างร้านอาหารด้วยนะคะโดยคนร้ายได้เข้ามาชิดอาประชิดตัวเจ้าของโพสต์ลักษณะจะเข้ามาทําร้ายหรือว่าฉิงทรัพย์ซึ่งผู้โพสต์ไม่ทันเห็นนะคะว่ามีอาวุธหรือไม่แล้วก็เจ้าของโพสต์เองก็พยายามเดินหนีค่ะจนวิ่งหนีแล้วก็ อบอกนะคะว่าผู้ชายคนนี้เนี่ยตามประชิดตัวไวมากทําให้การวิ่งบนถนนอย่างมาต่อยนะคะซึ่งมีช่วงที่สุดเป็นหลุมเนี่ยจังหวะนั้นทําให้ก้าวพลาดสุดลงขณะล้มลงเนี่ยก็ยังเดินเข้ามาเธอก็เลยมีการร้องขอให้คนช่วยนะคะสุดท้ายรถจกักรยนยนต์รับจ้างก็ได้พาไปแจ้งความที่สถานีตํารวจซึ่งต่อมาตํารวจก็ยังไม่สามารถจับตัวผู้ร้ายมาลงโทษได้โดยทางตารวจเองก็ให้ไปทําแผลที่โรงพยาบาลแล้วก็ค่อยมาลงบันทึกประจําวันอีกทีนะคะทั้งนี้ค่ะหญิง สาวเองอยากฝากเรื่องราวนี้ให้เป็นอุทาหรณ์ด้วยนะคะให้ระวังลักษณะแบบนี้แล้วก็ใครที่ผ่านเส้นทางนี้นะคะเอกมัย21ทองหล่อ20ปรว่าซอยจำจันทร์นะคะระมัดระวังตัวเองด้วยแล้วก็ขอให้เจ้าหน้าที่ในท้องที่ดำเนินการอย่างจริงจังและใครประสบเหตุนะคะก็สามารถแจ้งที่ห้องวิทยุสนททองหล่อ023818853ได้เลยค่ะ เป็นการโพสเตือนภัยในทุกวันนี้นะคะที่เจอเห็นอะไรมาก็จะมาเล่าสู่กันฟังในสื่อพื้นที่โซเชียลของตัวเองนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นข้อดีนะคะผู้ฟังเพราะว่าก็น่าจะเป็นาการส่งมอบส่งต่อนะคะการเตือนเรื่องราวที่อาจจะต้องระมัดระวังตัวเองกันใครที่อยู่ในเส้นทางนี้นะคะก็ต้องระมัดระวังกันด้วยค่ะ มากันที่เรื่องราวหนึ่งนะคะการเป็นหมอเป็นแพทย์นั้นนะคะในมุมมองนึงเนี่ยแหละท่านบอกว่าก็คุณหมอเองเนี่ยก็ต้องเรียนจบมาเนี่ย โ, โหค่อนข้างจะยากอยู่เหมือนกันนะนะคะแต่ว่าในบางกรณีคุณหมอเองก็มีความยากลำบาก เกิดขึ้นหลังจากที่มีเคสนี้เกิดขึ้นนะคะโมสาวท่านหนึ่งค่ะมีการโพสเตือนภัยนะคะคุณหมอด้วยกันหลังถูกคนไข้แก้ไขปลอมแปลงใบรับรองแพทย์นะคะไปใช้ในการหลอกเจ้าหน่ายหยุดงานเกือบเดือนเลยค่ะชี้นะคะว่านี่คือคดีอาญาขอร้องว่าใครที่จะมาพบแพทย์อย่าปลอมแปลงเอกสารแบบนี้เลยค่ะ นุชรัชนีพรคุณหมอที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมานะคะก็มีการโพสต์ภาพแล้วก็ข้อความระบุว่าแชร์ประสบการณ์ถูกปลอมแปลงเอกสารบรรจุปล่องแพทย์ไม่คิดว่าจะเจออะไรแบบนี้ที่ถูกเติมคือคําว่าสายพันธุ์บีกับให้หยุดงาน1 9บเกถึงยีกรกฎาคมสอ6 2ค่ะโดยคุณหมอสาวท่านนี้นะคะได้แจ้งความลงบันทึกประจําวันเอาไว้นะคะไม่อยากจะเอาเรื่องแต่ก็ไม่อยากให้ใครทําแบบนี้อีกความผิดฐานปลอมแป ล, แปลงเอกสารราชการไปคดีอาญา อย่าทำเลยและอยากเตือนเพื่อนแพทย์เพื่อความปลอดภัยขีดหน้าขีดหลังข้อความไว้เพื่อไม่ให้เติมข้อความเพิ่มเติมได้ดีกว่าค่ะโดยงานนี้นะคะก็มีชาวโซเชียลไปแสดงความคิดเห็นนะคะแล้วก็แชร์โพสต์ตักอ่าดังกล่าวเนี่ยออกไปจํานวนมากเลยค่ะบางส่วนในเป็น HR ของบริษัทและคุณหมอเองก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นอีกด้วยนะคะโดยมียอดกดไลค์ไปกว่า 3,000 ครั้งด้วยกันแล้วก็แชร์ไปมากมายเลยทีเดียวค่ะเดี๋ยวก็ตามแล้วนะคะแฟนเพจชื่อดังนะคะ Dra ม a า d อดดิเองก้องออกมาแสดง แส่งความคิดเห็นนะคะถึงเรื่องดังกล่าวบอกว่าคุณหมอท่านนี้หลังไม่มาปรึกษาคือเขาออกใบรับรองแพทย์ให้คนไข้แต่ใบรับรองแพทย์ถูกเอาไปแต่งข้อความเพิ่มหมอคนใดก็ตามเจอสถานการณ์เช่นนี้ใฮรี่ไปปรึกษาตำรวจแล้วลงบันทึกประจาวันไว้ก่อนเลยนะครับจากนั้นก็ปรึกษาสสจกับนิติกรว่าจะเอาอยัางไงต่อ ะะซึ่งในเรื่องราวนี้เองนะคะผู้ฟังคะอีกในด้านหนึ่งนะคะแฟนเพจกองปราบปรามเองก็ออกมาเตือนนะคะคนไข้คนใดที่หัวใสนะคะไปปลอมแปลงเอกสารของคุณหมอค่ะแก้ไขเพิ่มวันหยุดเอาเองแบบนี้นะคะชื้เป็นความผิดโทษฐานตามกฎหมายนะคะมีโทษจำคุก3ปีปรับ 60,000 บาทแถมในจา้างยังไล่ออกได้พร้อมกับจะถูกดำเนินคดีด้วยค่ะ กรณีกระแสฮือฮานะคะให้ชาวเน็ตถกเถียงกันไม่หยุดเลยนะคะหลังแพทย์หญิงท่านหนึ่งได้โพสต์รูปภาพพร้อมกับแชร์เรื่องราวเป็นอุทาหรณ์พบคนไข้หัวใสนะคะติดต่อขอรับใบรับรองแพทย์แต่โป๊ะแตกค่ะบริษัท ต, ต้นสังกัดโทรศัพท์กลับมาสอบถามเนื่องจากคนไข้ารายนี้แอบใส่ข้อความเนียนสุดๆเพื่อเพิ่มวันลาหยุดจากการป่วยของตัวเองค่ะซึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะแฟนเพจของกองปราบปราม @csdthai นะคะก็ออกมาเตือนด้วยการโพสต์ข้อความระบุบนหน้าแฟนเพจบอก ว่าการปลอมแก้ไขบัตรประจแพทย์นั้นนะคะผิดกฎหมายค่ะเสี่ยงถูกไล่ออกดําเนินคดีเพราะการปลอมหรือแก้ไขบัตรประจแพทย์ถือเป็นความผิดฐานปลอมเอกสารต้องระวังโทษจําคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน6กหมื่นบาทหรือทั้งจําทั้งปรับตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา264นอกจากนี้นะคะนายจ้างก็ยังสามารถไล่ออกได้เลยไม่ต้องจ่ายเงินชดเชยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานมาตรา119วงเล็บหนึ่งเพราะถือว่านี่คือการทุจริต หรือเป็นการกระทําผิดอาญาโดยเจตนาแก่นายจ้างคะ่ะใครที่เจอเหตุการณ์แบบนี้นะคะก็ถ้าเป็นคุณหมอเองก็อย่าลืมตรวจสอบด้วยนะคะส่วนถ้าเป็นนายจ้างก็อย่าลืมตรวจสอบกันส่วนใครที่มีความคิดว่าอยากจะเปลี่ยนเอกสารต่างๆนะคะระมัดระวังกันด้วยมีโทษตามความผิดนะคะอย่าทําเลยจะ ด, ดีที่สุดนะคะ ทิ้งท้ายกันในช่วงนี้ค่ะกับ f a c e b o o กกองปราบรามเองก็ออกมาเตือนภัยประชาชนนะคะอย่าลงเชื่อค่ะช่วงนี้มีมิจฉาชีพนะคะอ้างตัวเป็นตำรวจกองปราบแนะนำนะคะถ้ามีใครมาอ้างตัวไปขอดูบัตรประจำตัวข้าราชการค่ะหรือสามารถตรวจสอบได้เลยนะคะทางเว็บไซต์ www.thaipolice.net ค่ะ โดยทางด้านของแฟนเพจ a c e b o o k นะคะกองปราบรามได้โพสต์ข้อความเตือนภายระบุว่าระวังตำรวจปลอมหากเจอใครอ้างตัวเป็นตำรวจกองปราบขออย่าได้หลงเชื่อท่านสามารถขอดูบัตรประจำตัวข้าราชการหรือตรวจสอบได้ทางเว็บไซต์ http://www.thaipolice.net /dataone.php หรือสามารถสอบถามได้ที่แฟนเพจ a c e b o o กกองปราบรามเพื่อป้องกันการถูกมิจฉาชีพนะคะที่จะมีการอ้างตัวเป็นตำรวจหลอกลวงในรูปแบบต่างๆค่ะ ในช่วงนี้นะคะก็คือเรื่องราวข่าวสารที่นํามาฝากกันนะคะพักสักครู่หนึ่งก่อนค่ะช่วงหน้าจะมาฟังเรื่องราวนะคะอุทาหรณ์ค่ะมีนะคะชายหนุ่มวัยเพียง30กว่าปีเท่านั้นโดนแบตเตอรี่หมดอายุระเบิดใส่หน้าเกิดอะไรขึ้นนะคะรวมไปถึงเรื่องราวของอุบัติเหตุมอเตอร์ไซค์จากศูนย์วิจัยอุบัติเหตุแห่งประเทศไทยซึ่งเขามีการวิจัยออกมาเดี๋ยวมาติดตามรับฟังกันในเพื่อนแดนภัยค่ะ ได้เพียงยิ้มเท่านั้นไม่เห็นภาพของเราเหมือนเวลามันย้อนเหมือนเห็นภาพสะท้อนความทรงจำที่เลยผ่านได้รู้จักความรักในวันที่ไม่เข้าใจ ทำรงต้องทำตัวเช่นไรทำตัวไม่ถูกมาเจอความรักทำทุกอย่างที่ตรงข้ามใจยังคิดถึงเรื่องวันนั้นอยากทำไม่ดีกว่านั้น ที่แอบรักคนนั้นวันนี้ยังเสียดายก็ระเธอไม่เคยได้รู้เพียงคงเจอคนนี้ ทำทุกอย่างที่ตรงข้ามใจยังคิดถึงเรื่องวันนั้นอยากทำไม่ดีกว่านั้นแต่ก็รู้คงสายไปอ h ฉันได้พูดคำนั้นก่อนที่เรา นำเพื่อนเตือนภัยในช่วงนี้ของรายการนะคะวันนี้มีเรื่องราวนะคะกับแฟนเพจ Facebook เช่นเดียวกันเดี๋ยวนี้เขามีการโพสเตือนภัยกันมามากมายนะคะนำเรื่องราวของตัวเองมาแชร์ประสบการณ์กันนะคะเตือนไว้เป็นอุทาหรณ์ค่ะชายหนุ่มวัยปีถูกแบตเตอรี่หมดอายุระเบิดใส่หน้าจนวิตตาบอดนะคะฝากเตือนคนใช้แบตเตอรี่เก่าควรศึกษาวิธีใช้งานให้ถูกต้องค่ะผู้ใช้ Facebook ไต่เด่นแม่นำน้อยได้โพสต์คลิปเตือนภัยพร้อมระบุ ข, ข้อความว่าเตือนภัยแบตเตอรี่เสื่อมเลิกใช้ทิ้งไปเลยครับขอบพระคุณที่ทุกคนเป็นห่วงผมผมตาดีขึ้นแล้วครับพักผ่อนอีกสักพักคงจะดีขึ้นที่ผมเอาคลิปมาลงอย่าให้ดูเป็นอุทาหรณ์นะครับระเบิดได้ตลอดเวลาโดยมีชาวเน็ตนะคะเข้าไปแชร์แล้วก็แสดงความเห็นกันเป็นจานวนมากเลยค่ะซึ่งเจ้าของ Facebook นี้นะคะคือคุณเด่นชัยธรรมวัฒน์อายุ34ปีก็มีการเล่าเหตุการณ์นะคะผู้ฟังบอกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น30ก ร, รกฎาคม ที่ผ่ผาานมาโดยคุณเด่นชัยเองค่ะมีการชาร์จแบตเตอรี่รถยนต์เอาไว้ในช่วงบ่ายๆเตรียมไว้ให้ลูกค้าที่มาใช้บริการในตอนกลางคืนโดยเดินมาถอดขั้วแบตเตอรี่ที่ชาร์จไว้นะคะทต่ในนั้นค่ะเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นแบตเตอรี่ที่ชาร์จไว้ระเบิดใส่หน้าทันทีทําให้น้ากรดแล้วก็เศษพลาสติกนั้นกระจายใส่หน้าโดยน้ํากรดนี่นะคะกระเด็นใส่ลูกตาสองข้างเลยค่ะปวดแสบทุรนทุรายโชคดีที่มีก๊อกน้ําอยู่ใกล้ๆมีภรรยาและเพื่อนอยู่ใกล้เคียงรีบช่วยกันฉีดน้ําล้างและพาไปโรง พยาบลไม่ฉะนั้นนะคะต้องตาบอดอย่างแน่นอนค่ะทั้งนี้นะคะคุณเด่นชัยก็มาเตือนนะคะพี่น้องประชาชนที่ใช้แบตเตอรี่เก่านะคะซึ่งยอมรับนะว่าแบตเตอรี่ที่ใช้อยู่นะคะมีอายุการใช้งานหลายปีไม่ต่ำกว่า5ปีซึ่งรู้ท่าไม่ถึงการนะคะเพราะคิดว่าใช้ไฟเพียงแค่นี้เดียวถ้านําไปติดกับหลอด LED ให้ลูกค้าออกเรือช่วงค่าเท่านั้นไม่คาดคิดค่ะว่าจะเกิดเหตุการณ์เกือบเสียดวงตาเสียอนาคตไปแล้วนะคะจึงอยากให้คนที่ใช้แบตเตอรี่เก่าต้องศึกษาวิธีการ การใช้งานให้ถูกต้องอยังก็ตามแล้วตอนนี้อาการบาดเจ็บที่ได้รับนะคะคุณเด่นชัยบอกว่าดีขึ้นแล้วแล้วก็สามารถที่จะกลับมามองเห็นได้ตามปกติแล้วค่ะใครที่มีความคิดเรื่องของการใช้แบตเตอรี่เก่านะคะมันจะเป็นรถยนต์หรือว่ารถมอเตอร์ไซค์ก็ตามนะคะ<ๆ>ก็จริงจแล้วเนี่ยไม่ควรจะต้องนําไปชาร์จเพิ่มนะเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยอาจจะเจอเหตุการณ์แบบคุณเด่นชัยก็ได้ค่ะ มากที่ผลการวิจัยนะคะแล้วก็การวัดผลอุบัติเหตุในประเทศไทยนะคะล่าสุดค่ะศูนย์วิจัยอุบัติเหตุแห่งประเทศไทยเผยอุบัติเหตุมอเตอร์ไซค์ในประเทศไทย40เปอร์เซนตเกิดจากการไร้ใบขับขี่ค่ะ ศาสตราจารย์ด็อร์กันวีกนิตพงศ์ผู้จัดการศูนย์วิจัยอุบัติเหตุแห่งประเทศไทยเปิดเผยผลการวิจัยและความคืบหน้าการวิจัยอุบัติเหตุที่เกิดกับผู้ใช้จักรยานยนต์ในโครงการวิจัยเพื่อเมืองไทยไร้อุบัติเหตุโดยได้รับการสนับสนุนจาก Honda และก็เยมหานะคะซึ่งเขามีการเก็บข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุกับรถจักรยานยนต์ในประเทศไทยพบว่าจากการตั้งเป้านะคะหนึ่งคดในช่วงที่สำรวจนะคะก็คือปี2 5ง9ันห้ถึงสอง ค่ะล่าสุดเก็บข้อมูลได้แล้ว1นึ่งหกรเคสนะคะปัญหาเบื้องต้นก็คือผู้ใช้รถเนี่ยขาดทักษะในการคาดการอุบัติเหตุการควบคุมรถแล้วก็ไม่สามารถตัดสินใจได้อย่างถูกต้องเมื่อตกอยู่ในสถานการณ์ฉุกเฉินค่ะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะเขาก็มีการแนะนํานะผูบบ้มวังวิธีการในการแก้ปัญหาเร่งด่วนในการพัฒนาทักษะให้กับผู้ขับขี่เป็นอันดับแรกนะคะ1เลยค่ะก็คือผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถจ ก, ถกยานยนต์ส่วนใหญ่นั้นมักจะเสียชีวิตจากการชน รถยนต์คันอื่นค่ะเช่นรถยนต์นั่งส่วนบุคคลและรถกระบะ ตามด้ยวยรถบรรทุกแล้วก็รถที่จอดอยู่ข้างทางหรือว่าชนกับวัตถุข้างทางค่ะ 2. ค่ะก็คือรูปแบบของการเกิดอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ที่พบบ่อยมากที่สุดก็คือการเลี้ยวตัดกระแสจราจรทางตรงณนะจุดตัดประเภทต่างๆแต่รูปแบบการเกิดอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ที่ส่งผลให้มีผู้ขับขี่เสียชีวิตมากที่สุดคือการชนที่ด้านหน้าและการชนท้ายรถคันอื่นรวมถึงการชนกับรถขณะกําลังเลี้ยวในบริเวณจุดตัดต่างๆค่ะ 3. นะคะก็คือสาเหตุสำคัญของการเกิดอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์มาจากปัจจัยด้านบุคคลเป็นหลักนะคะมีสัดส่วนสูงถึง 94% เแบ่งเป็นสาเหตุที่เกิดจากความผิดพลาดของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์นะคะเค่ะเกิดจากความผิดพลาดของคนขับรถคันอื่นนะคะเถนนแล้วก็ยานพาหนะ 4% เเตและ 2% ตามลำดับค่ะ ส่วนในข้อที่4นะคะความผิดพลาดที่เกิดขึ้นกับผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์และก็เป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดอุบัติเหตุนะคะก็คือความผิดพลาดของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ในการประเมินสถานการณ์52เเซตความผิดพลาดในการตัดสินใจนะคะเมื่อต้องผเผชิญหน้ากับสถานการณ์ฉุกเฉิน21ความผิดพลาดในการควบคุมรถ19ความไม่ตั้งใจในการขับขี่26เกิดจากการทําผิดกฎจราจรของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์32เเค่ะ ในข้อที่5นะคะอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์เกิดจากการที่ผู้ขับขี่ไม่หลบหลีกหรือเบรกหรือหลีกเลี่ยงการชนแต่อย่างใดนะคะสูงถึงสีซข้อ6นะคะผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ที่ประสบเหตุนั้นไม่มีใบอนุญาตในการขับขี่ถึง40เซนะคะ7จค่ะผู้ขับขี่ที่ไม่ได้ผ่านการอบรมขับขี่ปลอดภัยแต่เรียนรู้วิธีการขับขี่รถจักรยานยนต์จากสมาชิกในครอบครัวเพื่อนหรือขับขี่ด้วยตัวเอง8ปเปเซ ในข้อ8นะคะผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถรยนยนต์เกิดจากการบาดเจ็บที่ศีรษะมากกว่า 50% และสุดท้ายก็คือผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถรยนยนต์เกิดจากการขับขี่ขณะมึนเมา 15% บห้ค่ะทางนี้นะคะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการลดอุบัติเหตุนั้นอาจจะต้องมุ่งเน้นใน3ด้านด้วยกันนะคะอย่างแรกเลยก็คือการคาดการอุบัติเหตุการตัดสินใจที่ถูกต้องและการควบคุมรถอย่างปลอดภัยค่ะโดยศูวนย์วิจัยอุบัติเหตุแห่งประเทศไทยจะมีการรายงานผลการวิจัยแบบเต็มรูปแบบอีกครััง้งงหล เสร็จสิ้นการเก็บข้อมูลในการวิจัยต่อไปค่ะนี่เป็นข้อมูลในเบื้องต้นนะคะ600เคสที่มีการวัดผลมาว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงมีประเหตุเกิดขึ้นอย่างมากมายในประเทศไทยและมักจะเกิดในลักษณะแบบใดนะคะงดฟังค่ะใครที่มีการขับขี่รถจักรยานยนต์เองก็ต้องระมัดระวงังใช้การตัดสินใจที่เฉ็บขาดแล้วก็จะเลี้ยวรถไปไหนอะไรยังไง ตรวจดูเลนของเราด้วยนะคะแล้วก็ตรวจดูรถต่างๆที่จะขับขี่มาด้วยบางครั้งเราระมัดระวังตัวเราเองอยู่แล้วแต่ว่ารอบข้างล่ะคะเราอาจจะต้องมีการเพิ่มความระมัดระวังรอบข้างของเราเพิ่มเติมด้วยค่ะพักกันสักครู่หนึ่งก่อนนะคะผู้ฟังค่ะช่วงหน้าจะพาไปาเป็นการเตือนภัยแกงมิจฉาชีพใน2แบบด้วยกันนะคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในต่างจังหวัดนะคะ2จังหวัดด้วยกันเดี๋ยวติดตามรับฟังกันกับเพื่อนเตือนภัยคะ่ะ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 ในช่วงนี้ค่ะคุณผูฟังคะที่ฉันมีข้อมูลเกี่ยวกับการเตือนภัยแก๊งวิชาชีพซึ่งเกิดขึ้นใน2จังหวัดด้วยกันนะคะจังหวัดแรกค่ะเกิดขึ้นที่จังหวัดชนบุรีนะคะสาวเจ้าของร้านข้าวมันไก่เตือนภัยเจอหญิงนะคะหญิงท่านหนึ่งนะคะอ้างว่าไม่มีเงินนําศพยายออกจากโรงพยาบาลค่ะเยือสงสารควักเงินช่วยนะคะรู้ทีหลังก็รู้เลยว่ามีการออกตรเวนทนําลักษณะแบบนี้เนี่ยไปทั่วเมืองชนบุรีค่ะ เรื่องเหล่านี้นะคะมาจากคุณสายชนสุรเวชเจ้าของร้านข้าวมันไก่สายชนตะวันออกหมู่สามตำบลสม็จอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีซึ่งเธอมีการเปิดเผยเรื่องราว บ, บอกว่าในช่วงเช้า6สิงหาคมเนี่ยเธอมีการจัดหน้าร้านอยู่มีหญิงอายุประมาณ40ปีผิวดําสวมแว่นสายตาแต่งตัวเรียบร้อยใช้รถจักรยานยนต์เป็นพาหนะเดินเข้ามาในร้านแล้วก็ถามหาเจ้าของร้านตัวเองก็เลยแสดงตัวจากนั้นนะคะหญิงกระนามนี้ก็มีการแสดงสีหน้าเศร้าๆพร้อมบอกว่ายายเสีย แต่ไม่มีเงินนำศพออกจากโรงพยาบาลอยากให้ช่วยเหลือได้ไหม ขอให้ช่วยเหลือหน่อยด้วยความสงสารนะคะเธอก็เลยมีการควักเงินสดในกระเป๋าไปจำไม่ได้ว่าให้ไปเท่าไหร่นะคะต่อมาค่ะเพื่อนเพื่อนลายมาแจ้งบอกว่าช่วงนี้มีหญิงสาวผิวดําชอบอ้างว่ายายตายแล้วก็มาขอเงินไปนําศพออกจากโรงพยาบาลถูกหลอกไปแล้วหลายคนอ้าวก็เลยรู้ว่าตัวเองถูกหลอกเหมือนกันนะคะทั้งนี้ค่ะก็เลยอยากจะแจ้งเตือนให้หลายๆคนรับรู้จะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อค่ะยอมรับนะคะว่าช่วงนี้เศรษฐกิจก็ไม่ดีอยู่แล้วค้าขายลาบากนะคะคนร้ายก็ยังมีวิธีการแปลกๆใหม่ๆ หาเงินใช้แบบแปลก ง่ายๆโดยใช้ความสงสารมาทำมาหากินค่ะสําหรับหญิงรายนี้นะคะที่มีการก่อเหตุขึ้นเนี่ยทราบว่าจะมีการออกตระเวนไปตามพื้นที่อำเภอเมืองชนบุรีนะคะไปตามร้านค้าต่างๆแล้วก็กล่าวอ้างว่ายายเสียอยู่โรงพยาบาลไม่มีเงินค่าทําศพขาดเงินพั0ถึงสองพบาทหลายคนเห็นใจก็ช่วยเหลือไปร้อยบาทบ้างบางคนก็ช่วยเหลือเป็นพันบาทเลยนะคะซึ่งคาดว่าในแต่ละวันเนี่ยน่าจะมีรายได้หลายพันบาทแล้วนะต่อมาก็มีการแชร์เรื่องราวในโซเชียลจึงรู้ว่า ผู้หญิงคนนี้เนี่ยมีการตะเวนหากินนะคะตั้งแต่ชนบุรีศรีราชาระจนถึงพัทยาเพราะฉะนั้นก็อยากฝากเตือนนะคะป้องกันเอาไว้นะคะถ้าเกิดว่าเจอเหตุการณ์ลักษณะนี้ก็รู้เลยว่านี่คือมิจฉาชีพค่ะอะไรก็เกิดขึ้นได้นะคะเดี๋ยวนี้มีวิธีการในการหลอกลวงเอาเงินแบบแปลกๆนะคะอย่างอีกกรณีหนึ่งคะ่ะเกิดขึ้นที่จังหวัดสุรินทร์นะคะเตือนภัยมิจฉาชีพ เป็นเซลแมนทำทีไปขายสินค้าค่ะหลอกผู้สูงอายุที่อยู่บ้านตามลำพังค่ะ ชาวบ้านนะคะอารอหมู่สิบตะบนนานดีอําเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์นะคะมีการร้องเรียนว่ามีรถกระบะวีโก้สีบรอนทองติดหลังคาติดสติ๊กเกอร์ข้างตู้หลังคาเขียนว่าขายอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าในรถจะมีชายประมาณ3คนลักษณะเหมือนเซล์แมนขายของค่ะจะเลือกโรงร้านที่มีคนมีอายุอยู่เฝ้าร้านคนเดียวใช้วิธีการชวนคนขายคุยแล้วก็ถามซอกแซกราคาสินค้าพร้อมกัน3คนจะมีหนึ่งใน3คนนั้นสั่งของเจ้าของร้านเดินไปหยิบโดยที่เจ้าของห่างจาก ก, กระป๋งเงินแล้วก็ฉวยโอกาสนี้นะคะหยิบกระเป๋องเงินหลบนี้ไปค่ะซึ่งภาพกล้องวงจรปิดนั้นสามารถจับภาพคนร้ายและรถยนต์ได้อย่างชัดเจนนะคะเรื่องเหล่านี้นะคะเกิดขึ้นที่ร้านค้าของคุณชินนะคะนางชินปันัจเตขออภัยค่ะ นางชินปัดใจเตอายุส7ปีค่ะซึ่งเกิดขึ้นที่นี่แหละค่ะบ้านอารอนะคะที่จังหวัดสุรินผู้เสียหายเองก็มีการเปิดเผยกล้องวงจรปิดแล้วก็ลูกสาวเจ้าของร้านเนี่ยบอกว่าชื่อร้านเนี่ยไม่ได้มีการติดตั้งกล้องวงจรปิดนะคะพร้อมกับเล่าเหตุการณ์ให้ฟังนะคะถึงเทคนิคการหลอกลวงของกลุ่มมิจฉาชีพท่านนันของคุณวันนามีแก้วนะคะ ลูกสาวเจ้าของร้านเนี่ยบอกว่าที่ร้านไม่ได้มีการติดตั้งกล้องวงจรปิดคนร้ายมากัน3คนทําทีมาซื้อของภายในร้านแล้วก็ขอน้ําแข็งก้อนหนึ่งแล้วก็เดินออกไปตัวเองกลัวว่าคนอ่าคนมีอายุเนี่ยนะคะผู้สูงอายุเนี่ยอยู่ร้านขายของคนเดียวคนร้ายจะมารุมถามเพราะว่าเวลาวันจันทร์ถึงศุกร์เนี่ยไม่ได้อยู่บ้านต้องไปทํางานนะคะโชคดีที่ยังไม่ได้รับความเสียหายค่ะเนื่องจากเริ่มระแวงคนร้ายเริ่มรู้ตัวแล้วว่าเป็นบ้านกำนันเก่าฉะนั้นของผู้ใหญ่บ้านอารอนะคะคุณจํานงบูญเจริญบอกว่าตอน มีการประชาสัมพันธ์นะคะผ่านหอกระจายข่าวแล้วก็มีการแจ้งเตือนลูกบ้านเฝ้าระวังด้วยเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยกลุ่มมิจฉาชีพนะเข้ามาในบ้านหลากหลายรูปแบบเลยค่ะซึ่งตัวเองแล้วก็แม่บ้านเองก็เคยโดยลนลักษณะแบบนี้มาก่อนเหมือนกันก็มีการหลวมตัวซื้อของไปแต่ว่าไม่เป็นไรเพราะว่าได้ของมาแต่ก็จะนั่งมองอยู่ว่ามาลักษณะแบบไหนปรากฏว่าเข้ามา2วันติดต่อกันซึ่งคุณจำนงบอกว่าก็บอกไปว่าไม่เอาแล้วเชิญไปข้างหน้าก่อนก็จะวนขายทั้งหมู่บ้านเลยค่ะทีนี้เนี่ยก็เลยมีการโทรศัพท์แจ้งตัวาหน้า รวจสพเพียรามนะคะมาตรวจสอบดูนะะซึ่งตำรวจมาก็บอกว่า ริชาชีพเนี่ยก็มีการอ้างบอกว่าไม่ได้ทําอะไรนะเป็นการพูดคุยเฉยๆนะเสนอขายสินค้าเฉยๆนะคะทีนี้เนี่ยคุณจำนงก็เลยถามไปว่าเสนอขายสินค้าแล้วเนี่ยเจ้าของไม่ต้อนรับทําไมถึงดือ้อนะคะซึ่งริชาชีพก็อ้างว่าก็ทําเป้านะทําตามผู้จัด ก, การสั่งมาอีกทีนั่นเองนะคะซึ่งนี่แหละค่ะก็ต้องเป็นการเตือนภัยกันนะสําหรับใครที่อาจจะอยู่บ้านคนเดียวไม่ใช่แค่จังหวัดสุรินทร์เท่านั้นในทุกพื้นที่นะคุณฟังเดี๋ยวนี้ไม่ได้มาแค่การเป็นเซลลขายของเท่านั้นนะคะมาซ่อมไฟซ่อมน้ํา มาทําทุกอย่างมาเปลี่ยนไส้กรองหรือบางทีมาในลักษณะของการเป็นแมสเซนเจอร์นะคะบอกว่ามีการสั่งสินค้าเก็บเงินปลายทางจ่ายเงินปลายปรากฏว่าเปิดมาเป็นสินค้าราคา20บาทแต่เสียงเงินไปแล้ว300บาทก็มีเหมือนกันต้องระวังนะคะนี่คือเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้ที่เรามาพูดคุยกันนะคะในรายการเพื่อนเตือนภัยค่ะซึ่งคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการได้ในทุกวันพระหัสบดีนะคะในช่วงเวลาเช้าช้าแบบนี้ทาง fm 89.5 วิทยุราชมงคลธัญบุรีแล้วก็ทางแฟนเพจ a c e b o o k นะคะวิทยุ ราชมงคลธัญบุรีเช่นเดียวกันค่ะวันนี้ดิฉันอาทิตยาปกธทานังและก็ทางทีมงานต้องขอลากัไปก่อนนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามพระฟังกันด้วยค่ะสวัสดีค่ะสนับสนุนรายการโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีมหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรม RMT Moving Towards Innovative University วิทยุราชมงคลธัญบุรี FM แปดสเกาจุดหาม h ะ r ร์เทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิต